ในหน้าสิบสองนะหน้าสิบสองอยู่เลยเนาะยังอยู่ในประเภทปัญจกะอยู่เลยเนาะปัญจกะปัญจาการนี่แปลว่าหมวดห้าน ะ, ะหมวดห้ามีอยู่สองในในที่หนึ่งคือในที่หนึ่งว่างไงขึ้นต้นด้วยอะไรก่อนปริยันตะปาริสุที่ศีล อปริยันตะปาริสุทีศีนปริปุลณะปาริสุทีสินอัปรามัตตปาริสุทีศีนและปฏิปสัสสติปาริสุทีสิน เ, ออเก่งแล้วนะจําได้ละ <c oughs> จําตัวหนังสือได้แล้วเก่งแล้ว <c oughs> ทีนี้หมวดที่สองล่ะหมวดที่สองก็ปหานะศีล เ, เวรมณีศีลเจตนาศีล สังวรศีลและอวีติกมามศีลในหน้าสิบสองอยู่เลยนะเมื่อวานนี้ได้กล่าวไปถึงเรื่องของอุปจาระฌานะอุปจาระฌานเนี่ยนะคือตั้งแต่ปหานะการมาฌานธาด้วยเนคขมะปะหานะพยความพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทปหานะ ทีนามิ t ะด้วยอโลกสัญญาปะหานะโอทะจด้วยความไม่ฟุ้งซ่านปะหานะวิจิกิจชาด้วยการกำหนดธรรมประหานะอวิชชาด้วยยานปะหานะอารติด้วยความประโมททั้งเจอย่างนี้เป็นอุบายแห่งคุณวิเศษคือสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นบุปผาคเป็นเบื้องต้นเป็นข้อปฏิบัติที่ รองรับคุณธรรมต่อไปคือสมถะและวิปัสสนานั่นเองทีนี้มาเลยถึงสมาบัติบ้างปะหานะการละนิวรด้วยปฐมฌานก็เป็นศีนี่นะเวรมณีนี่นะ การงดเว้นจากนิวรด้วยปฐมฌานก็เป็นศีลเจตนาที่เป็นค่าศึกต่อนิวรเนนะก็เป็นศีลแล้วก็ความสังวรจากนิวรก็เป็นศีลอวีติกมะคือความไม่ล่วงละเมิดนิวรด้วยปฐมฌานก็เป็นศีลทีนี้มีคำถามที่น่าสนใจว่าอ้าวแล้วฌานเป็นศีลด้วยเหรอ ปฐมฌานเป็นศีลด้วยไหมเป็นศีลนะด้วยหรือเปล่าเพราะศีนี่พ่ออัตถาว่าศีลนะใช่ัหมทีนี้ท่านบอกว่าเอาละปะหาณ น, นิวรณนด้วยปฐมฌานก็เป็นศี น, นี่ปฐมฌานเป็นศีลด้วยหรือไหาานเขามีคำถามถามในดีกาว่าฌานทั้งหลาย มีความเป็นศีลได้อย่างไรในฌานเหล่านั้นมีการเกิดวีรตีได้อย่างไรนะเพราะว่าฌานเหล่านั้นย่อมเป็นไปด้วยอำนาจความตั้งมั่นแห่งจิตของบุคคลผู้มีกายกรรมเป็นต้นหมดจดดีแล้วหมายความว่าความความเกิดขึ้นแห่งฌานจิตนั้นเนี่ยนะคนที่ได้ฌานนี้แสดงว่ากายะสุจริตวจีสุจริตนี้มีบริบูรณ์อยู่แล้วเนี่ย หมายค่ะว่าศีลดีอยู่แล้วเขาจึงได้ฌานคือมีอมีคุณธรรมเหล่านั้นรองรับอยู่แล้วมีสมาทานนางกับอุปธารนางรองรับอยู่แล้วรองรับฌานาจิตแล้วนะก็บอกว่าเพราะว่าฌานนี้หาได้เป็นโดยเกี่ยวกับการชาระกายกรรมเป็นต้นให้หมดจดเหมือนอย่างตา ม, มาวาจรกุศลไม่เนะฌนะานาจิตนี้ไม่ได้ชำระกายกรรมไม่ได้ชำระวจีกรรม แต่มหาคุศลน้ชำระกายกรรมชำระวะจีกรรมทีนี้ฌานก็หาได้เป็นเกี่ยวกับสมุดเช ท, ทะคือการตัดขาดทุจริตและมิจฉาชีพเหมือนมรรคไมนะ่ลักษณะของฌานก็ไม่ใช่สมุดเช ท, ทะแล้วก็ฌานนั้นก็ไม่ใช่ปฏิปัสสธิด้วยที่จะสงบประงับทุจริตและมิจฉาชีพเหมือนกับผลจิตคือการมาวาจรกุศลจิตเนี่ยนะจะชมระกายกรรมวจีกรรม มหาคุศลนะชัมระกายกรรมวจีกรรมมัคคคุศลละกายทุจริตวจีทุจริตโดยสมุทเฉทประหารละมิจฉาอาชีพโดยสมุทเฉทประหารผลจิตผลจิตเนี่ยนะก็ละกายทุจริตวจีทุจริตและมิจฉาอาชีพโดยสงบระงับที่เรียกว่าปฏิปัสสติเนี่ยนะผลจิตนี่ก็ละโดยปฏิปัสสธิประหาระ ทนี้ฌานเนี่ยนะก็ไม่ใช่กามาวาจรกุศลฌานไม่ใช่มรรคไม่ใช่มรรคฌานไม่ใช่ผลอแล้วฌานจะเป็นศินได้ยังไงเขาบอกว่าที่กล่าวมานี้ที่ท่านว่าเนี่ยจริงในมหคัตธรรมทั้งหลายหามีสภาวะที่เป็นศีละณนะโดยนิ ป, ปริยยไม่เนนะฌานาจิตทั้งหมดเลยไม่ใช่เป็นศีลโดยตรง นะไม่ใช่เป็นศีลโดยตรงนิปริยายนี่แปลว่าโดยตรงจะมีสภาวะที่งดเว้นได้แต่ที่ไหนเล่าเพราะฉะนั้นฌานจิตจึงไม่ใช่สภาวะที่เป็นการงดเว้นแต่เพิ่งเห็นว่าคําว่าปหานะนิวรณ์เห็นนะปฐานะนิวรณ์ก็เป็นศีลใช่ไหมปหานะนิวรณ์คาว่าปหานะนั้นท่านกล่าวไว้โดยอ้อมคือโดยปริยาย ก็ปริยายนั้นคืออะไรคือว่าเมื่อได้มหาคตากุศลธรรมทั้งหลายละเหล่าธรรมะอันเป็นปฏิปักษอยู่เนี่ยนะคือขณะที่ฌานจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะขณะนั้นก็เชื่อว่าละนิวรณ์อ่ะเพราะว่าลักษณะของปฐมฌานคือสงัดจากกามสงกัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนะบรรลุปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารณ์ปีติสุขเกิดจากวิเวก เพรในขณะที่ปฐมฌานเกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, น, น, นก็เชื่อว่าละละนิวรณ์เนี่ยนะเชื่อว่าเป็นศีลเหมือนกันแต่ว่าเป็นได้เป็นปหานะโดยอ้อมคือเป็นปหาะนะศีลโดยอ้อมก็เมื่อนั้นชื่อว่าเวรมณีคืองดเว้นจากธรรมะอันเป็นปฏิปักเหล่านั้น ในขณะที่ฌานในจิตเกิดขึ้นขณะนั้นก็เรียกว่าเวรมณีเหมือนกันแต่เป็นเวรมณีโดยอ้อมเห็นไหมชื่อว่าสังวรหรือสำรวมโดยประการที่ธรรมะอันเป็นปฏิปักษเหล่านั้นเห็นไหมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยจะขึ้นสู่จิตไม่ได้สำรวมไม่ให้พวกปฏิปักษคือ น, นิวรณ์เป็นต้นเกิดในจิตเลยขณะที่ฌานเกิดนะเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เชื่อว่าสังวร และได้ชื่อว่าอาวีติกมะเพราะอาธาิว่าเป็นที่ไม่มีความก้าวล่วงทางมโนทวารด้วยอำนาจนนด้วยกิเลสกล่าวคือปริยุทธานกิเลสเพราะฉะนั้นในขณะที่ปฐมฌานเกิดขึ้นชื่อว่าปหานะชื่อว่าเวรมณีชื่อว่าอะไรเจตนาชื่อว่าสังวรชื่อว่าอาวีติกมะโดยอ้อมเนี่ยนะ ส่วนเจตนาได้แก่เจตนาที่สัมปยุตกับมหคตธรรมเหล่านั้นนั่นเองก็คือเจตนาที่เกิดร่วมกับชาณจิตอันนั้นแหละแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นศีลโดยอ้อมเท่านั้นเองอนนเพราะฉะนั้นการกล่าวศีลตามแนวปฏิสามพิธานั้นจึงเป็นธรรมะที่กว้างขวางพิสดารลึกซึ้งะ น, น แม้กระทั่งทุติยะฌานเป็นต้นก็ในยะเดียวกันเห็นไหก็คือปหานะนิวรด้วยปถมฌ า, านเห็นไหเวรมณีการงดเว้นจากนิวร์ด้วยปถมฌานเจตนาที่เป็นข้าศึกต่อนิวรด้วยปฐมฌานความสำรวมนไ น, น, นิวรณด้วยปถมฌานการไม่ล่วงละเมิดนิวรด้วยปถมฌานทีนี้ถ้าปหานะ ปหารวิตกวิจารด้วยทุติยะฌานว่าไงเถอะเวรมณีเว้นจากวิตกวิจารณด้วยทุติยะฌานแล้วก็เจตนาที่เป็นฆ่าศึกต่อวิตกวิจารณด้วยทุติยะฌานความสัมรวมจากวิตกวิจารด้วยทุติยะฌานแล้วก็ความไม่ล่วงละเมิดวิตกวิจารณ์ด้วยทุติยะฌานนีมันเปิดหากันใหญ่เลยไม่มีล็อกในนั้นนะ เพราะอะไรเพราะว่าอาศัยในยะนั่นเองนะคือกล่าวตามลักษณะโครงสร้างเห็นะเพราะฉะนั้นต้องมองภาพรวมให้ออกเห็นะนะอันนี้ปีติก็ลักษณะเดียวกันนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นศีลเหมือนกันหมดเลยเห็นะนะจนถึงอารูปสมาบัติก็เป็นศีลเห็นะที่ว่าละรูปประสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตะัสัญญาด้วย อากาศานันจายตนะสมาบัตได้ไหมคือขอตรงนี้ก่อนเลยนะครับคือว่าตรงนี้มันจะอาจจะดูยากนิดนะเอาว่าศีนกับกุศลขั้นทานกับกุศลขั้นศีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับจึงชื่อว่าศีนจึงชื่อว่าทานมันแตกต่างกันยังไงครับเพราะมันเป็นเป็นเป็นมหากุศลด้วยกันทั้งคู่แต่มันคนละร ะ, ระดับนะทำไมจึงเป็นศีน ทำไมจึงเป็นทานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะเรากําลังท่านอาจารย์กําลังอธิบายว่าแม้แต่กุศลขั้นมหคตะคือในในในขั้นสมถะเนี่ยก็สงเคราะห์เรื่องศีลลงไปนะแต่เป็นทางอ้อมแต่ว่าทานน่าจะใกล้าทานนะกุศลนะนะฮะน่าจะใกล้กับศีลมากแต่ทําไมจึงไม่จัดเป็นศีล ถ้าหากว่าเราเราเอาตัวองค์ธรรมเข้ามาจับนะฮะเรามันจะเหมือนกันเลยอ่ะเราดูๆ้วมันเหมือนกันนะมีสัพพจิตตสาสนที่เป็นฝ่ายส่วพระนิสดวงก็มีก็มีสิบเก้าดวงเหมือนกันแล้วก็อ่าถ้าหากว่าอ่าไอไอเจตสิกอื่นเนี่ยเหมือนเหมือนกันเนี่ยแล้วแล้วมันยังไงมันต่างกันยังไงมันต่างยังไงหมายความว่า อีกฝ่ายหนึ่งมีวิรตีอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีหรือยังไงอ่าตัวเนี้ยนะเออลองเลาอธิบายดูทีครับมันมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็มันเข้าหลักเกณฑ์ยังไงไอ้ทานตัวนี้จึงไม่เข้าไปจัดอยู่ในศีลแสดงว่าศีลมันต้องมีหลักเกณฑ์อะไรทั้งอย่างหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวสูงสูขึ้นไปที่เป็นสมถะก็ไม่มาจัดเข้าไปในศีลนะในเรื่องปัญญาสูงๆก็ไม่ได้จัดเข้ามาในศีลนะส่วนส่วนอย่างอื่นต่ำต่ำตำลงไปก็ไม่ได้จัดเข้ามาในศีลอีก แสดงว่าศีลมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งจริงซึ่งมีลักษณะเขาว่ามีลักษณะประจำตัวนี้ยอาจารย์เฉลยเฉลยไม่ได้เหมือนกันมันจะยากเหมือนกันก็ได้แต่เรียกว่าอุประมาณหรืออนุมานเานะกะกะได้เท่านั้นเพราะว่ายังไม่ได้เจอคำอธิบาย ที่ตรงๆอย่างมากก็ได้แค่แสดงความเห็นเท่านั้นเองซึ่งเป็นมาตรฐานไม่ได้กอการวิเคราะห์กุศลธรรมนั้นเราต้องไม่ทิง้งไม่ทิ้งอารมณ์นะไม่ไม่ทิ้งอารมณ์เพราะว่าธรรมชาติของกุศลธรรมหรือกุศลจิตเกิดขึ้นนั้นจะต้องจะต้องมีอารมณ์เนี่ยนะธรรมชาติของเขาทีนี้ทานทานกุศลเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่มีรูปแปลอารมณ์ ฐานักุศลนั้นที่เป็นทานก็คือเจตนาเจตนาให้อะเชื่อว่าฐานักุศลซึ่งให้วัตถุอันนี้แก่อีกผู้หนึ่งอีกบุคคลหนึ่งเพราะว่าจะต้องมีผู้รับใช่ไหมเพราะธรรมชาติของทานจะต้องมีผู้ผู้ให้มีของที่ให้แล้วก็มีผู้รับฉั้นเน้นการให้ ทานนี้เป็นสิกขาไหมสิกขาไหนสิกขามีสามหนึ่งอธิศีลสิกขาสองอธิจิตตสิกขาสาอาธิปัญญาสิกขาเดี<ม>๋ยนะทานกุศลอยู่ในสิกขาไหน<ม>อ่าไม่ไม่อยู่ในสิกขาเลยเพราะฉะนั้นทานกุศลนั้น ใครใครทำก็ได้นนะหรือใครให้ก็ได้โดยที่ไม่เกี่ยงโดยที่สุดแม้แต่เด็กก็คิดให้ได้ตัดเดราัชานก็ก็ให้ทานได้แล้วในทานนักกุศลนั้นมันก็จะมีคำว่าทานกับคำว่าศีลกับคำว่าจิตคำว่าปัญญาอันนะัซึ่งพวกเหล่านี้ไม่ใช่สิขาเลยน่ยนะ ทานกุศลไม่ใช่อยู่ในสิกขา 3. สามศีลทั่วไปก็ไม่อยู่ในสิกขาจิตทั่วไปก็ไม่ได้อยู่ในสิกขาหรือว่าปัญญาทั่วไปก็ไม่ได้อยู่ในสิกขามันก็ต้องแยกสองส่วนนี้ว่านะนะทานศีลหรือว่ากุศลจิตหรือว่าปัญญาทั่วไปกับอธิศีลอธิจิตอ ธ, อธิปัญญานั้นแตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นคําว่า ศึกษาหรือสิกขาเนี่ยนะอธิสีนอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะเป็นชื่อของสิกขาอันะสิกขาอันนี้เนี่ยที่จบของสิกขาคืออะไรมีอะไรเป็นอารมณ์สูงสุดเลยก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์หรือว่าสิกขาเหล่านี้นี่ก็เป็นไปเพื่อเกิดขึ้นการเกิดขึ้นแห่งโลกุตระธรรมหรือถ้าจะให้บริบูรณ์ไปแล้วพวกนี้ทั้งหมดก็คือ ขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นนั่นเองนี่นะอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นในขณะอริยมรรคทีนี้ถามว่าทานน ก, กุศลเนี่ยนะเกื้อกูลต่ออริยมรรคไหมโดยการปฏิบัติสมมติว่าเออเติร์นชามาให้ทานอย่างเดียวเลยนะมีแต่คิดจะให้วางแผนให้อย่างเดียวเนี่ยนะถามว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงไหมรองรับไหมเติร์นชามาให้อย่างเดียวคิดแต่ให้เลย ให้ข้าวให้น้ำํำให้ผ้าให้หยวดยานภาหนะดอกไม้คล่องหอมประทิบโคมไฟเห็นไหมคิดให้หมดเลยกุฏิเสนาสนะแต่จะต้องสร้างแบบนี้ให้แบบนั้นนะกระจกเนี่ยนะจะต้องติดให้ลายหน้าต่างก็ต้องเป็นอย่างนี้หลังคาเป็นอย่างงั้นคิดแต่เรื่องให้ในลักษณะนี้บ่อยๆถามว่ารองรับการรู้แจ้งแทงตลอดกุศลธรรมชั้นสูงไหมเมืม่อให้มากๆแล้วชาณกุศลจะเกิดได้ไหมทานกุศลทั่วไปนั้น ถ้าโดยลักษณะแล้วไม่ได้อยู่ในในศิขาเลยแต่ทานกุศลเนี่ยนะเป็นปัใจจัยให้เขาให้เขาทำศิขาได้เพราะว่าคนที่ที่จะเจริญอธิศีนอธิจิตอธิปัญญา น, นั้นเนี่ยนะพื้นฐานเนี่ยเขาจะต้องมีทานศีลหรือว่าจิตหรือว่าปัญญานในอดีตชาติในอดีตชาติเนี่ยเป็นปัจจัย ที่เขาตั้งความปรารถนาให้ผวังขจิตเกิดเพราะว่าการจะบรรลุธรรมนั้นหรือการจะผู้ที่จะมีศิกขาเหล่านี้บริบูรณ์จริงๆเลยนะจนถึงกับบรรลุมรรคผลได้ผู้ที่ผู้นั้นจะต้องปฏิสนธิด้วยติเหตุด้วยติเหตุเนื่องจากกุศลธรรมที่เขาเคยทํามาแต่แต่ปางก่อนนั่นแหละเป็นปัจจัยอันถ้าในชาตินี้เขาขวนขวายแต่เรื่องทานอย่างเดียว เขาขวนขวายให้ขนาดไหนก็ตามถึงให้เป็นสังฆทานก็ตามจะไม่ได้ไม่ได้เป็นเหตุให้เขาบรรลุมรรคผลเลยในใ น, ในชาตินั้นๆซึ่งจะต่างจากอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเพราะว่าอธิศีลสิยขาเนี่ยนะถ้ากุศลศีลเกิดขึ้นแล้วถ้ากุศลศีลเกิดขึ้น กุศลศีลที่เป็นลักษณะของอาทิศีลเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยจะวินิจฉัยตัวกุศลของเขาเองด้วยวินิจฉัยอารมณ์ด้วย